วันนี้วันนี้วัตรุษ จ, จีนคงไม่ถึงขนาดต้องฟังเทศภาษาจีนเนาะ <c oughs> วันนี้ยมน้อยหน่อยก็ยังชั่วนะเยอะๆพูดยากใจเรามันเหมือนนักเรียนหลายๆหลายๆชั้นน่ะมันนั่งเรียนพร้อมๆกนมันเรียนยากแต่ว่าไม่ว่านักเรียนชั้นไหนนะ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 เราจะรู้ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจนะเครื่องระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตัวเองก็คือสตินั่นเองคนในโลกนี้ไม่มีสตินะไม่มีสติสติในความหมายของหลวงพ่อนี่หมายถึงตัวสัมมาสติก็ ม, มีสติอย่างโลกโล ก, โลกทำงานได้เรียนหนังสือได้นะพูดรู้เรื่องเดินไม่ตกถนนอะไรก็ว่ามันมีสติแต่สติที่หลวงพ่อต้องการพูดถึงนี่เรียกว่าสัมมาสติเป็นเครื่องระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตัวเอง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 จิตที่มีสัมมาสมาธิจริงๆจิตที่มีสัมมา ส, สมาธิมันจะเบาๆนะมันไม่ใช่เบาหวิวนะแต่มันเบาแบบมันไม่มีภาระมันสบายมันมีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณครับ f งำกระทั่งความอยากปฏิบัตยิยังไม่มีเลยความอยากปฏิบัติก็เป็นกิเลสนะจิตที่มั น, น ม, มีสัมมาสมาธิเนี่ยมันว่องไวไม่ซึมไม่ถือนะถ้าไปนั่งแล้วก็ซึม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 มันส่งเสริมอัตตานะไม่ใช่จะเห็นอนัตตามันจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูบังคับจิตของกูได้หรือจะไปเพ่งใส่ท้องอันเดียวนะท้องพองยุบรู้หมดเลยนะแต่ว่าจิตใจของตัวเองเนี่ยลืมมันไปละไม่มีรูปมีแต่รูปไม่มีนามเพ่งเอาเพ่งเอาอันนี้จะส่งเสริมอัตตาไม่ใช่เห็นอนัตตาเพราะในแต่ละสภาวธรรมเนี่ยในแต่ละขณะมีสภาวธรรมจานวนมากเกิดขึ้น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 ถ้าปราศจากสัมมา ส, สมาธิแล้วปัญญาจะไม่เกิดนะเมื่อสองสามันก่อนมีพระองค์หนึ่งท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะท่านเข้าไปเยี่ยมหลวงพ่อที่วัดที่เมืองเมืองชนท่านก็ไปเล่า ว, ว่าท่านอยู่ในป่าแล้วท่านก็รู้อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะกระทั่งเสียงของสัตว์เนี่ยท่านฟังได้ของเราก็ฟังเสียงสัตว์ได้ใช่ไหมนะแต่ท่านแปลได้ของเราก็ฟังได้นะ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 ดังนนใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี้สำคัญมากนี่วิธีทำยังไงใจของเราจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันทำได้หลายอย่างอแรกเลยทำสมถะทาสมถะเราจะหัดพุดโทโธก็ได้หัดหายใจก็ได้นะหัดไปหัดอะไรก็ได้ซักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ไปหายใจเลื่อนลอยไปเรื่อยๆเคลิมๆอย่างที่เคยทำกันเราหัดหายใจไปแล้วเราค่อยๆทาความรู้สึกขึ้นมา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 พอใจผ่อนคลายแนละ้ใจมันจะสงบแจมสบายนะพอจิตใจสบายเรารู้ลมหายใจลมหายใจตัวลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตนะรู้ลมหายใจไปนานไปนะใจจ่ออยู่ที่ลมอย่างสบายๆเคล็ดลับอยู่ที่สบายนะรู้อย่างสบายๆ บ, บริกรรมนิมิตคือลมหายใจมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นแสงสว่างจะรู้สึกมันเป็นแสงสว่างเป็นเส้นเป็นเกลียวนะแสงสว่างของลมที่เรียกว่าอุขะหานิมิต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 จิตจะเข้าฌานจิตจะเข้าฌานอันนี้สำหรับคนที่ทำได้เต็มภูมพอเข้าฌานที่หนึ่งก็มีปิติมีความสุขใจเป็นหนึ่งต่อมาสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นไปอีกมันเห็นว่าปิติก็ของหวือหวานะปิติก็ของหวือหวาดับปิติลงไปในจิตที่จะเกิดตัวผู้รู้เนี่ยเป็นจิตที่ในฌานที่สองจิตในฌานที่สองเนี่ยดับวิตกวิจารดับการตรึกถึงตัว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 เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจใจจะเป็นคนดูอยู่เนี่ยหยุดดูอยู่ดยยได้เป็นวันๆเลยนะเก็กําลังของสมาธิเยอะนี่ถ้าคนไหนทําตามรูปแบบเต็มขั้นเต็มภูมิของสมาธิอย่างนี้ไม่ไหวก็ใช้วิธีขี้โกงเอาอย่างที่หลวงพ่อว่านะหัดดูเอาหายใจเข้าหายใจออกเนะี่ยยังไม่ต้องมีนิมมงค์นิมิตอะไรหรอกหายใจไปเรื่อยๆเนะี่ยแล้วคอยสังเกตใจของเราสังเกตดูร่างกายมันหายใจใจของเราอยู่ต่างหากนะใจของเราเป็นแค่คนดูหรือใจมันคิด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 โดยเฉพาะจิต ท, ที่เป็นอกุศลเกิดเนี่ยมันมีสติไม่ได้สติจะไม่เกิดร่วมกับจิตอกุศลเวลาสติเกิดเมื่อไหร่จิตจะเป็นกุศลเมื่อนั้นงั้นสติเนี่ยเราตามดูใช้เราใช้ตามดูสภาวะที่เป็นนามธรรมานะถ้ารูปธรรมเนี่ยรู้ลงปัจจุบันถ้านามธรรมาตามดูนะเช่นความกโกรธเกิดขึ้นรู้ว่ากโกรธเห็นไหมมันกโกรธก่อนนะถึงรู้ว่ากโกรธนะมันโลบขึ้นมาโลบขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโลบ ใจมันลอยไปก่อนเรารู้ว่าใจลอยหงุดหงิดขึ้นก่อนเรารู้ว่าหงุดหงิดนี่อิดช้าขึ้นก่อนเรารู้ว่าอิจฉ้าแต่ต้องรู้เร็วๆนะไม่ใช่เมื่อวานอิดช้าวันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้รู้ตามห่างไปเรีกตามจนไม่เห็นฝุ่นใช้ไม่ได้ต้องเห็นหางมันไหวๆอยู่อย่างโกรธขึ้นมาแล้วโกรธมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเกิดะระลึกได้ยังไม่หายโกรธนะโกรธมาได้ต่อเนื่องชั่วโมงแล้วเกิดละระลึกได้ว่าอ้าวนี้มันกําลังโกรธอยู่อย่างเงี้ยอย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้ใช้ได้หรรือโกธมา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 นัจิตที่โกรธที่โลภที่หลงนี่เป็นอคูศนเกิดแล้วก็ดับมันจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้นะมันจะโกรธน่ะห้ามมันไม่ได้นะมันจะโลภห้ามไม่ได้มันจะหลงห้ามมันไม่ได้แล้วเกิดขึ้นมาแล้วไล่ก็ไม่ไปนะไล่ก็ไม่ไปบังคับมันไม่ได้สักอย่างนึงเนี่ยคอยรู้คอยดูไปด้จะเห็นไหนทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปดูแล้วจะเห็นมันไม่ใช่เราหรอกเราบังคับมันไม่ได้นะ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 ดัง น, นต้องระมัดระวังนะถ้าเราเดินผิดเราเดินมุ่งไปแต่ทางทำสมถะอย่างเดียวแล้วนึกว่าเป็นวิปัสสนาเนี่ยนอกจากไม่ลากความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนแล้วยังเพิ่มอัตตาได้ด้วยนะหรือบางคนภาวนานะหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือบางคนนะบอกว่าสอนให้ฝึกดับเวทนานะเพราะถ้าเวทนาดับนะตัณหาจะดับตัณหาดับเนี่ยอุปาทานจะดับภพบจะดับชาติจะดับทุกข์จะดับเพราะฉะั้นต้องหาทางดับตัณหา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 เพราะว่าปัญญามันเกิดแทนเวทนาไม่ใช่ตัวอาคุสนะเวทนาเป็นตัววิบากแต่ตัณหาเป็นตัวอาคุสลั่นสติปัญญามันเกิดแทนวิชามันเกิดแทนตัณหามันก็ไม่เกิดนพวกเราต้องค่อยๆเรียนนะเราอย่าไปเรียนแล้วนึกว่าเราจะบังคับได้ถ้าคิดว่าฝึกแล้วบังคับได้นะเข้าใจผิด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 ทำแห่งความเนื่นช้ามันมีสามตัวเรียกว่าปปัตนจะทำปปัตนจะท ำ, ทำทำแห่งความเนื่นช้านะถ้าใครมีทำสามตัวนี้การภาวนาย่าล่าช้าได้ผลยากแรกชื่อว่าตัณหาอยากนะแค่เราอยากปฏิบัติเนี่ยใจก็เป็นอกุศลแล้วอย่างเราอยากเดินจงกรมเราอยากภาวนาแล้วเราเดินจงกรมไปสามชั่วโมงนะเราทําตามที่ตัณหาสั่งทำตามตัณหาสั่งนะจิตตรงนั้นจะถูกตัณหาครอบอยู่ตลอด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 เ ห, เหนื่อยเหนื่อเปล่าๆนะงั้นตรวจแรกเลยที่ทําให้ล่าช้านะคือตัณหาหลวงพ่อเคยโดนพระองค์หนึ่งท่านอบรมสั่งสอนเคยเล่าให้พวกเราฟังแล้วตอนนั้นไปที่สุรินหลวงปู่ดูลไม่อยู่แล้วไปภาวนาที่วัดสาขาท่านตอนเช้าทานข้าวเสร็จแล้วก็ออกมาจากกุฏินะไปหาที่ภาวนาไปเจอเก้าอี้หินอยู่ใต้ต้นไม้ร่มรื่นริมสระน้ํา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 หลวงพ่อถามเรารู้ได้ยังไงอ่ะโยมมียานทัศนะรู้ว่าไม่เคยปฏิบัติมาแต่ชาติปางก่อนเอนอะไหมโมเมลเองอ่ะมันคิดบัณฑทอนตัวเองทําให้หมดกําลังใจนี่ใช้ไม่ได้นะหรือคิดว่ามรคนิพพานพ้นสมัยแล้วนี้พวกทิฏฐินี่เรื่องทิฏฐนะิมีสามตัวนะที่ทําให้ช้ามีตันหามานาทิฏฐิทิฏฐิเนะองคิดว่ามันพ้นสมัยแล้วมรคนิพพานไม่มีแล้วไม่ต้องไปทํามันหรอกเนี่ยพวกนี้ก็โดนหลอกนะ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 มาณนะเนี่ยถ้ากูเก่งกูเก่งมันก็เรียนอะไรใหม่ไม่ไดนะ้หรือกูโง่ยังไงกูก็เรียนไม่ได้นะใจฝ่อก็เรียนไม่ได้เหมือนกันนะอีกตัวหนึ่งคือทิฏฐิเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนักนะเรียนธรรมะเวลาฟังธรรมะเนี่ยพวกเราเชาวเมืองเป็นเยอะนะตัวเนี้ยเวลาฟังอยากฟังหลวงพ่อพูดนะจะศึกษาเปรียบเทียบกับของเก่าไปเรื่อยๆนะอาจารย์โน้นว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่าอย่างโน้นอาจารย์นู้นว่าอย่างนี้อีกนะมีหลายสเต็ป รวมความแล้วไม่ได้สังอาจารย์หนึ่งเลยนะลุยๆเป็นสังอาจารย์หนึ่งอาจจะได้น ะ, นะคิดมากยากนา น, นพวกเนี้ทำให้ช้าเอาความคิดมาบันทอนตัวเองหรืออย่างบางทีเราภาวนานภาวนาของเราอยู่ดีๆนะสติปัญญาเกินรอบตัวเลยนะใจก็ตั้งมั่นดีๆอยู่อย่างเงี้ยดีอยู่แท้ๆเลยอยู่ๆก็คิดขึ้นมาอีกอทำยังไงมันจะดีกว่านี้อีก น, ะ น, ะนี่ถูกความคิดถูกความเห็นหลอกให้ปั่นป่วนขึ้นมาลนะ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 เองคนทําซีดีแจกเรื่อยๆนะคือคุณโยไหนๆนนๆนั่นน่ะยืนนั่งยินน้มอยู่นั่นคุมเครื่องอยู่นั่นน่ะภาวนาพอดีๆสักพักหนึ่งนะหายไปพักนึ่งกลับมาพิลึกพี่ลึกใหม่อีกล่ะแข็งแข็งมาอย่างงี้มาก็มีนะบางทีองยิ้มาามาทำเป็นอะไรไปฝึกอันโน้นฝึกอันนี้มานะ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 ท่บอกมันนิมิตมันหลอกได้นะหลอกได้มันหลอกเก่งเราไปเล่าให้หลวงุู่เทศฟังนะว่าเนี่ยมันฝุดขึ้นมานะแต่ผมไม่เชื่อหรอกเพราะผมรู้สึกว่ากิเลสมันไม่ลดลงท่านก็ยิ้มเลยนะยิ้มน่ารักหลวงปูธธนะ่เทศท่านบอกดีแล้วที่ไม่เชื่อมันดีแล้วที่ไม่เชื่อถ้าเชื่อก็ต้องเป็นภาระให้ครูบาอาจารย์ต้องมานั่งแก้ให้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 กิเลสจะแรงนะไม่เป็นไรนะอย่าให้ล้นออกทางกายทางวาจานะ่มันไปร่ารานชาวบ้านเขาดีแล้วแต่ของคุณบังคับตัวเองเกินธรรมดาไปนิดนึงยังดูออกไหมดีเกินเกินไปนิดนึงมันจะไม่ค่อยมีความสุขมันแข็งไป มีไหมหมดแล้วเหร อ, อทุออกทีรับนมันมาการของพ่อครับคือผมเริ่มฝึกมาประมาณตั้งแต่ประมาณต้นปีครับจากฟังจากเอ็ีสามของหลวงพอ่อทีนี้พอฝึกแล้วเนี่ยพอเริ่มรู้สึกตัวหมายถึงรู้ว่าเผลอเงี้ยครับมันก็จิตมันมันจะมั่งกำหนดลมหายใจครั้งหนึ่งครับ เ, เป็นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วนะรู้สึกเหมือนกับอึดอัดในหน้าอก อ, อย่างเงี้ยครับเป็นธรรมดานะ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 ดีแล้วล่ะฝึกไปแล้กกิเลสเกิดบาระกีหนล่ะพอหลายคนเหมือนกั น, นครับแต่แยังไ ม, ไม่ยังไม่บ่อยมาครับแล้วเอาให้ได้สักชั่วโมงละร้อยผลเนาะครับผมจริงๆนาทีหนึ่งได้สักสิบผลก็กำลังสวยนะหรือยี่สิบผลก็กำลังดีนะถ้าจริงๆเกิดเร็วอย่างนั้นนะใจเราหลาแว บ, บแว บ, บแว บ, บใครอยากทดลองไหมเหยวพาให้ดู <c oughs> ใจเราจะเกิดอกุศลอยู่ตลอดเลย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 เลิก <c oughs> แล้วโยมไม่ไปไหว้เจ้ากันมั่งเลยค่ะจะถามว่าก็คือถ้าสมมติว่าเผลอแล้วเราจะมีเหมือนเสียงหลวงพ่อหรือว่าบางทีเสียงตัวเองบอกค่ะหย <c oughs> ิงได้ไหมคะไม่เป็นไรเราเราห้ามมันไม่ได้นะแต่ว่านานๆไปเราจะลำคาน <c oughs> ว่าหมายทำไมมันช่างพูดจริง บางคนมีเสียงหลวงพ่อนะบางคนมีภาพประกอบด้วยนะ <c oughs> บางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อหรอกนะแล้วก็ภาวนาไปาติดขัดแล้วบอกแหมหลวงพ่อมาบอกหลวงพ่อใจใจนั้นมันเป็นธาตุรู้วาทีมันก็รู้ขึ้นมายิ่งเคยฟังเคยฟังหลวงพ่อเทศเรื่อยเวลาเราภาวนาไปถึงจุดที่ติดขัดนะก็เหมือนหลวงพ่อไปบอกให้ มองหลวงพ่อเองแต่ก่อนก็เป็นสมัยที่ภาวนานะหาครูบาอาจารย์แต่ก่อนหายากอยู่อีสานไกลเดินทางอันทีหนึ่งก็ลําบากไม่มีรถลาอะไรรถลาถึงมีนะถนนก็ไม่ค่อยจะดีอะไรเงี้ยไปยากเวลาเราภาวนาติดขัดขึ้นมาใจมันคล่องใจอะไรนะเราก็ตามรู้ตามดูไปสบายๆนะบางทีก็เหมือนครูบาอาจารย์มาบอกให้มาสอนให้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 พราะฉจุดเริ่มต้นเนี่ยจะรู้รูปก่อนก็ได้รู้นามก่อนก็ได้แต่ถ้ารู้ถูกต้องนะจะรู้รูปและนามอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยบางคนใจชอบวกไปหาลมนะแต่ถ้าเหลือแต่ลมมันเดียวนะใจไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากลมเนี่ยอย่างนี้ติดสมถะทำผิดละแต่ถ้าทำถูกนะรู้ลมหายใจไปใจจะตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่อย่างนี้ทาถูกแล้วมันจะรู้ทั้งรูปทั้งนามไม่ได้รู้อันเดียวนะ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 ฝึกอย่างที่หลวงพ่อฝึกเนี่ยอย่า ว, ว่าแต่ตอนตื่นเลยตอนหลับยังรู้เลยร่างกายพิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนน่ะนะคนที่ทําได้อย่างนี้เยอะแยะไปเลยครับเรากลาเปียนถาว่าจะเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าอย่างบางบางท่านไม่เคยฝึกสมถะมาก่อนเลยอย่างกระผมเนี่ยครับแต่ก็ฝึกโดยการเอาจิตธรรมดาอย่างอย่างเช่นนขณะเนี่ยครับไปไปรับรู้แบบอารมณ์อย่างเช่นการเผอเลออะไรครับไม่ทราบว่าจะเกิดการรู้ที่ถูกต้องได้ไหมครับเอาเอาใหม่ซิ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 เหมือนกับว่าจะต้องมาเริ่มต้นดูจิตใหม่แต่เริ่มเลยครับผูดพรอจะเริ่มดูจิตตอนนี้เลยนะดูไปเลยตอนนี้กำลังแข็งอยู่ครับผมปฏิบัตแล้วเห็นนมีตัวอะไรโผล่ขึ้นมาเป็นความคิดพอรู้สึกตัวปุ๊บมันความคิดนั้นก็หยุดไปพาคหนึ่งแล้วเมื่อเกิดมาใหม่มทีนี้ก็ต่อเนื่องไปเป็นเป็นเรื่องเป็นราว พอเรื่องนี้จบเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาอีกอืพ อ, อพอขยับกายอะไรเนี่ยมันก็หายไปเลยอืคืออารมณ์ที่จิตไปรู้เนี่ยนะสําหรับพวกเราที่ทําได้เนี่ยมันมีอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดนี่อันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งคือเรื่องรูปร่างกายนี้อีกอันหนึ่งคือเรื่องนามธรรมความรู้สึกในใจของเราเวลาที่จิตจะรู้อารมณ์เนี่ยรู้ได้ครั้งละอย่างเดียว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 มันจะมีตัวภาคอยู่ตัวหนึ่งอะตัวภาคข้ามมันไม่ได้นะมันมันภาคไปเรื่อยๆบางทีอย่าไปลาคาญมันนะทําให้เราลาคาญเอันั้นแหละมันลาคาญหลวงพ่อก็เคยลาคาญนะเพราแมมันทํำไมช่างพูดกว้าโมโหน้ําว้าด้วยนะหลวงพ่อมันนั่งเลงเหมือนกันนะบางทีมันก็แสดงเป็นหน้าเป็นตัวเป็นตนออกมาให้เห็นเออให้รู้ทันมันนะรู้ทันอะไรรู้ไหยรู้ทันใจเรามันภาคแล้วใจเราลาคาญก็รู้มันเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาให้เห็นจริงๆนะ ใจเราเกิดตกใจรู้ว่าตกใจสงสัยรือว่า ส, สงสัยกลับมาดูที่ใจเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะให้กลับมารู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆแล้วเวลาแบบเวลานอนอยู่เนี่ยพอนอนพัฒพักเวันลุกตัวมันมันเหมือนมีอะไรไหวๆมาด้ตัวนในกายแล้วเราก็ดูไปเห็นเลยว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะที่กำลังนอนอยู่ไอ้ไหวๆนี้มันก็ทางานของมันเองเราบังคับมันไม่ได้ ากายนี้เป็นของบังคับไม่ได้จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้คือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนะดูลงเป็นไตร ล, ลักษ์ให้หมดเลยไม่ใช่ฝึกบังคับนะครับแล้วเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันมันเหมือนมีมีอะไรเกิดขึ้นมาในในจิตเนี่ยมันเกิดมาขึ้นขนาดหนึ่งแล้วมันก็ว่างไปขนาดนึงองแล้วมันมันก็ออกไปข้างนอกอีก อ, ออกไปข้างนอกแล้ว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 จะแนะนําไงให้ให้เขาจะมีวิดีโอปฏิปปะเกิดขึ้นมาในการปฏิบัติเนี่ยคืออยากจะให้เขาขยันปฏิบัตินะเราต้องทําให้เขาดูก่อนถ้าเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยสอนยากคนในบ้านสอนยากนะยิ่งภรรยาเนี่ยนะเคยแต่สอนเรานะเราไปแนะนํายากนะหรืออย่างพ่ออย่างแม่นี่แนะนํายากเราต้องทําให้ดูถ้าเราสามารถภาวนาจนกระทั่งเรามีความสุขให้เขาเห็นได้ เรามีการเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการที่ดีให้เขาเห็นได้เขาถึง่ะเชื่อแต่แต่ถ้าทาแล้วเกิดให้เขาเห็นแล้วก็วเขาเขาก็ยังหลงไปทางอื่นอยู่ไม่ไม่ยอมเข้ามาทางนี้ อ, อ๋อเป็นเรื่องธรรมดานะเราบังคับเขาไม่ได้ใจเราเรายังบังคับไม่ได้เลยเราจะไปบังคับใจใครเขาได้นะวันวกากรรคือหนูแน่ใจว่าบางครั้งเนี่ย เราจดจ่อกับการฟังเทปของครูบาอาจารย์มากๆเข้าอะค่ะทีนี้พอวันหนึ่งหรือช่วงที่เราไปในที่ที่มันไม่มีตัวเนี้ยมันติดอะค่ะแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยที่เราคิดว่าเราจะได้คือส่วนมากเราชอบเปิดเทปครูบาอาจารย์ฟังแล้วก็นั่งสมาธิไปนะเรารู้สึกสงบง่ายคจริงมันเป็นการกล่อมใจอะนะได้สมถะนะได้สมถะเพราะงั้นเวลาวันไหนจิตใจฟุง้งซ่านกลุ้มใจ หาเทปครูบาอาจารย์ที่ท่านเสียงนุ่มๆหน่อยนะเสียงก็โชกหกหัหกฟังแล้วไม่สงบนะเอาเสียงนุ่มๆฟังแล้วแหมมันเคลิ้มสบายมีความสุขได้ได้พักผ่อนเฉยๆไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามาหัดดูของเรานี่ใจของเราตอนนี้เป็นยังไงใจเราหลุกหลีกขึ้นมานไม่มีเทปจะฟังแล้วมันหลุกหลีกหลุดหมันงุดหงิดมันลาคาญ ร, รู้ว่าลาคาญ ร, รู้ลงปัจจุบันไป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 ไปไหนเราก็หิ้วกายหิ้วใจไปนะหิ้วเครื่องฟังเทปฟังเอ็มพีสามพทานหมดแล้วหมดสภาพแล้วอย่างนั้นใช้ไม่ไหวนะการทำพิธีการหลวงพ่อนะครับคือผมปฏิบัติมาสักภากหนึ่งใหญ่ๆแล้วอะนะครับปัญหามันก็คือว่าผมเป็นคนคิดมากทีนี้ตอนหลังๆนี้ปฏิบัติสักสองเดือนมันนี้มีความรู้สึกว่าสมองมันจะไม่รับรู้อะไรเลยมันจะว่างๆมันจะว่าเราเราจะไม่คิดไม่รับรู้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 ถึงจุดตึงใจมันขี้เกียจคิดแล้วสมาธิมันจะลั้มขึ้นมาหลวงพ่อครับเราไอ้ตัวที่แบบจิตกับความคิดเนี่ยผมแยกไม่ออกว่าไอ้ตัวที่มันกระทบนี่มันเป็นจิตหรือมันเป็นที่เราคิดไปเองกับไอ้ตัวที่หลวงพ่อบอกว่าคือตัวจิตเนี่ยเป็นตัวรู้จิตเป็นตัวรู้ความคิดเรื่องราวที่คิดเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะลองค่อยๆแยกดูอย่างตอนเนี้รู้สึกไ้มมันมีเรื่องที่เรารู้เรื่องเรื่องที่เราคิด ในขณะเดียวกันในเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าแล้วถ้าแยกอย่างนี้ออกก็จะรู้อันไหนจิตอันไหนความคิดแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าจิตพอเราพอเรากระทบเสร็จแล้วเราจะภาคเนี่ยมันจะขึ้นมาเองว่าเออมันเป็นรักษาเรืเอ่อ้ทุนนี้เราจะทำไหมให้มันหายไหครับทำไม่ได้นะถ้าทำได้ก็จิตเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาทำไม่ได้หรอกแต่เราตามดูมันไปด้วยจิตที่เป็นกลาง ฉะนั้นเราบังคับอะไรไม่ได้เราก็รู้มันด้วยความเป็นกลางลูกเดียวเลยนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตมันภาคว่าอ๋อนี่โกรธแล้วอย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยปัญหามันจะอยู่ตรงที่เราไปช่วยมันภาคต่อนะเช่นพอมันโกรธขึ้นมาจิตบอกว่านี่โกรธแล้วหลัาจากนั้นเราภาคต่อความโกรธไม่ดีนะอย่าไปโกรธมันเลยนะนี่หลงจากการปฏิบัติละนะเพราะงั้นจิตจะปรุงแต่งไม่เป็นไรอย่าไปปรุงแต่งมันซะเอง ก, กราบนมัสการหลวงพ่อครับ ตอนนี้รู้ว่าตื่นเต้นครับก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติฝึกดูจิตมาได้ประมาณสามเดือนครับก็เริ่มต้นก็จะเห็นความเผลอตอนนี้เริ่มเห็นว่ามันเผลอเยอะมากเราปัจจุบันก็เห็นกิเลสเห็นความอยากที่มันผุดขึ้นมาในตรงกลางระหว่างใจนะครับแต่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเวลาที่พูดบ่อยๆแล้วจะเผลอนานครับตอนนี้ก็บางทีก็จะ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 การปฏิบัติเนี่ยบางวันเหมือนภาวนาดีนะเงินมักผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาละอีกวันหนึ่งเหมือนคนภาวนาไม่เป็นพอภาวนาไม่เป็นนะเกิดสภาวะนั้นขึ้นมาแล้วอย่าตกใจพุโทโธไว้ก็ได้ทํากรรมฐานอะไรไว้อันหนึ่งนะพุโทโธเล่นๆไปเรื่อยไม่ต้องหวังว่ามันจะดีนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพอมันสบายใจรู้ว่าสบายใจเนี่กลับเข้ามาละดูต่อได้ลเพราะงั้นเวลากรรมฐานเสื่อมอย่าตกใจนะเสื่อมทุกคนแหละ บางวันก็ทำได้ดีบางวันก็ทำไม่ได้วันไหนทำไม่ได้ก็อย่าตกใจไม่เลิกนะดูต่อไปนะพุโทโธไว้ก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนะจิตใจสงบจิตใจมีความสุขขึ้นมาก็าตื่นขึ้นมาอีกมาดูใหมนะ่เป็นทุกคนดีที่ภาวนาอยู่ดีแล้วแต่ตอนนี้ไม่ดีนะตอนนี้หลงอยู่รูออกไหมใช้ได้นะจิตมันตื่นแล้ว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 ได้ทำวิธีนี้มาสองปีแล้วก็ความเจ็บนั้นก็ไม่หายคือก็คือยังปวดที่ขาข้างขวาอยู่ปวดตลอดเวลาทุกครั้งที่ปฏิบัติอยากจะขอคำแนะ น, นำอยากจะถามหลวงพ่อว่าวิธีนี้เป็นสมถะสมถะหลว ง, งพ่อยินดีด้วยนะที่ยังรู้สึกปวดอยู่พ่ออะไรเพราะมันต้องปวดไม่ให้ภาวนาให้มันเหนือธรรมดานะ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 นะมันมีเหตุนั่นเองมันก็เกิดขึ้นมาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียนถามอาจารย์ที่วิธีปฏิบัติท่านบอกว่ายังมีโทสะในอาการปวดขาขว า, าคือยังมีโทสะ อ, ะอถ้าอย่างนั้นอาจารย์สอนดีเหมือนกันคนะ แ, ตแต่จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หายค่ะจะเรียนถามท่านว่าหายไม่ได้น ะ, ะแนะนําให้ปฏิบัติวิธีนี้ต่อไปอีกหรือเปล่าคะนี่ค่ะ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 เช่ น, นเรารู้ลมหายใจรู้อะไรจนนกยะทั้งจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยเรานั่งสมาธิไปเราก็เห็นว่าร่างกายนี้นั่งอยู่ต่อมาเวทนาคือความปวดความเมื่อยเนี่ยแทรกเข้ามาในร่างกายเราก็เห็นว่านี่กายก็ส่วนหนึ่งนะเวทนาก็ อ, อีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเวทนาผู้รู้ผู้ดูกายนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกออกจากกันนี่พอเวทนามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตมันไม่ชอบโทสะมันก็เกิด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 ผสมกันเนี่ยไม่ทราบบ้างจะเหมาะไหครับในความเป็นจริงมันผสมอยู่แล้วถ้าเราภาวนาถูกต้องนะเพราะว่าสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะมีครบเลยกายเวทนาจิตธรรมมีอยู่แล้วงั้นเราสติก็เป็นอนัตตาบางครั้งสติก็ะระลึกรู้กายบางครั้งสติะระลึกรู้เวทนาบางครั้งสติะระลึกรู้จิตเราก็เลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้อยู่แล้วนะงั้นการดูเวทนา โยมจับหลักที่อาตมาบอกคุณผู้หญิงตะกี้ให้แม่นๆก็แล้วกันดูเวทนาไม่ใช่เพื่อละเวทนาดูเวทนาเพื่อให้เห็นว่าเวทนาก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวลาเรารู้เวทนาเนี่ยมันก็รู้จิตด้วยพอเรารู้เวทนาไปเรื่อยเเราเห็นเวทนามันไม่ใช่จิตเวทนากับจิตนี้คนละอันกันนะเสร็จแล้วเราก็เห็นอีกเพราะเวทนามันแรงกล้าจิตมันไม่สบายจิตมันโมโห ข, ขึ้นมามันหงุดหงิดขึ้นมา อย่างคนพอร่างกายเจ็บป่วยใจมันหงุดหงิดเนี่ยเราก็รู้ทันความหงุดหงิดในใจเรานี่ก็เป็นขันอีกขันหนึ่งลนะความหงุดหงิดนี้ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอีกแล้วให้ดูไปเรื่อยๆนะมันจะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีเรามีเขาได้นะพระโสดาบันคือคนที่ถอดถอนความเห็นผิดตัวนี้ได้นั่นเองครับมีมีข้อครับคือเวลาที่เราฟุ้งซ่านมากนะครับผมยังลังเลใจอยู่ว่า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 เวลาใจฟุ้งซ่านนะคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้บางคนนะเป็นคนหลงโลกมากเลยหลงโลกมากรุนแรงนะคิดถึงความตายแล้วใจมันสลดลงมาใจสงบลงมาแล้วก็ใช้ความพิจารณาความตายเราเลือกเอาอารมณ์ที่มันเหมาะกับเรานะแต่เคล็ดลับของการทําสมถะคือสบายนะต้องสบายจับตัวนี้ให้แม่นแล้วง่ายได้ไม่ต้องเหนื่อยเหนื่อยมาก หลวงพ่อแต่ก่อนเหนื่อยมากเลยนะานเพราะว่าครูบาอาจารย์แต่ก่อนบอกนิดเดียวไม่บอกเยอะกราบ น, นมาส ก, การหลวงพ่อค่ะ อ, อ, อยากถามเรื่องเกี่ยวกับการตามดูความคิดอะค่ะอยากให้หลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมอะค่ะเพราะบางครั้งเวลานั่งสมาธิแล้วมันมีความคิดแต่ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงาน mm hmm. แล้วบางทีเราก็จะรู้สึกสนุกไปกับมันแต่ก็จะงงว่าเราควรจะหยุดหรือว่า ค, ควรจะกําหนดรู้แล้วมันให้มันดับไปหรือว่าควรจะคิดต่อไปได้เรื่อยๆไ ม, ไม่ไม่ได้กําหนดรู้ให้ดับนะถ้ากําหนดรู้ให้ดับมันคือฝึกความเป็นอัตตาตัวตนที่เราจะบังคับได้ยิ่งฝึกนานยิ่งเก่งกูเก่งกงูเก่งมันจะเกิดในขณะเดียวกันนืไม่ได้ฝึกให้ตามมันไปเรื่อยๆนะถ้าเรามีธุระจะต้องคิดเราก็ตั้งใจคิดให้รู้เรื่องคิดให้จบนะถ้าเรานั่งภาวนาอยู่จิตไหลไปคิดเนี่ยอย่าไปดูความคิดให้ดูจิต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 มันแอบไปคิดได้เองเนี่ยตอนนี้มันแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยดูอย่างนี้นะไม่ใช่ดูเรื่องที่คิดดูผิดตัวนะ<ม>ดีแอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเห็นไหมในเวลาหนึ่งวินาที2อวินาทีไปได้อีกนะเนี<ม>่ยไปอีกแล้วรู้สึกไห ม, มนี่หลวงพ่อให้ดูตัวอย่างนั้นใน5วินาทีไปหลายหะนกะ<ม>็วันหนึ่งวันหนึ่งนะกิเลสเกิด น, นับไม่ถ้วนเลยนะ<ม>อย่างใจที่หลงไปคิดทํามมันเป็นกิเลสตัวไหนมันคืออุทธัจจะเป็นกิเลสตระกูลโมหะ จิตฟุ้งสัน้นเนี่ยฟุ้งสันนะ้นแล้วคนโบราณแปลไว้ดีนะฟุ้งสัน้นมันฟุ้งขึ้นมาก่อนแล้วมันก็สั้นไปนะสั้นไปในอารมณ์โน้นสั้นไปในอารมณ์นี้คนไทยโบราณนะดูจิตเก่งแน่ๆเลยตั้งสัพท์มาแต่ละตัวแต่ละตัวนะมันตรงสภาวะเนี่ยไปแล้วเห็นไหมนี่ก็ไปแล้วรู้สึกไหม <c oughs> นี่ก็ไปเหมือนกันแต่ไปหมดนั่นแหละนะเอาเมาเหมา <c oughs>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 ที่ฟังแล้วเคลิมเนี่ยมีน้อยรายยังไม่เคยได้ยินนะแล้วฟังหลวงพ่อพูดแล้วเคลิมเนี่ยค่อนข้างอัจฉริยะที่ฟ้าประธานในรอบร้อยปีอย่างเพนนั้นพูดแบบสำนวนจีนหน่อยนะตุดจีนคนที่ฟังแล้วตื่นขึ้นมานับไม่ถ้วนน่ะนับไม่ถูกละนั้นฟังบางคนเปิดนั่งรถนะเขาเปิดไปเปิดไปเปิดไปนะลูกภาวนาเป็นอเด็กไม่ได้เจตนาฟังนะ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 จริงๆเราง่ายนะง่ายกรรมฐานไม่ได้มีอะไรมากอ้าวหมดยังเดี๋ยวลงพ่อโฆษณาหน่อยซีดีแผ่นที่ส6กนะใกล้จะออกแล้วนะโยทำต้นฉบับเสร็จแล้วนะได้ไปล้วพยายามไปฟังนะจะเป็นเรื่องของอริยสัจล้วนๆเลยอริยสัจนี่เป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดนะผู้ใดรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนี่นะถึงจะข้ามภพข้ามชาติได้ ถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยจะต้องเวียนและไห้ตายเกิดไม่เลิกหรอกอริยสัจข้อแรกคือทุกข์นะทุกข์คือกายกระใจของเรานี่เองหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้นี่พระพุทธเจ้าสอนละเอียดนะทุกข์ให้รู้ทุกข์คืออะไรทุกข์คืออุปาทานขันทั้ง5คือกายกระใจนี่เองท่านบอกไว้ละเอียดนะว่าทุกข์ก็คือขัน5้าหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้เพราะฉะนั้นหน้าที่ต่อทุกข์ไม่ใช่การเพ่งไม่ใช่การละไม่ใช่การกําหนดนะ พยายามไปเห็นเวทนาขึ้นมาอยากให้หายนี่ทำผิดหน้าที่ดันั้นต้องรู้ทุกนะรู้กายรู้ใจถ้ารู้แจ้งบันไดก็ข้ามภพข้ามชาติเพราะมันจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจถ้าไม่รู้ทุกยังเห็นว่ากายกับใจเป็นของอเด็ดอร่อยของดีของมิเศษปล่อยวางไม่ได้ข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะใจมันหิว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 แล้วเราก็จะมีชีวิตส่วนที่เหลือเนี่ยยังมีความสุขมีความสุขที่สุดเลยนะไม่ใช่สุขแบบเออเอานะในประเภทสุขเนี้ยมีความสุขคนบ้ามันก็มีนะอย่างนั้นอ่ะไปดูสีทัญญาก็เห็นพระอาหารหันต์แบบนั้นเยอะแยะเลยนะมันไม่ใช่นะมันมีความสุขอยู่ตอนหน้าต่อตานี้เลยนะสติสัมปชัญญะบริบูรณ์อยู่อย่างนี้เลยค่อยฝึกนะค่อยฝึกาศาสนาพุทธนะถ้าเราเรียนจนเข้าใจอริยสัจเนี่เราได้เนื้อหาสาระที่แท้จริง เพราะการรู้อริยสัจนี่แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิระับใดที่ยังมีคนศึกษาเล่าเรียนคนรู้อริยสัจอยู่ศาสนาพุทธยังอยู่ถ้าเมื่อไร่คนลืมอริยสัจนั่นคือศาสนาพุทธหายไปแล้วทุกวันนี้เราไม่พูดเรื่องอริยสัจกันนะเราบอกว่าให้รู้รูปนามใช่ไหมเสร็จแล้วเวลาสอนจริงๆให้ไปเพ่งรูปนามไม่ได้ให้รู้นะให้ไปเพ่งให้ไปกําหนดให้ไปละนะเพ่งกําหนดละนี่มันคนละเรื่องกับการรู้เลยนะ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 พักเพียนเอานะพักเพียเอาได้ฟังธรรมะนะเป็นมงคลของชีวิตที่สุดแล้วงั้นเราพักเพียนได้ฟังแล้วเอาไปดูกายเอาไปดูใจชาตินี้ได้โสดาบันนะเอาให้ได้แต่ละคนแต่ละคนยังตำ่ำ